15. สิบห้าความรู้ของอัตตาขั้นอธิจิตจึงจะสามารถรู้ตนเองผู้มีญาณรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นภีชะนี้ที่สำ ม, มาทิฐิจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะแห่งธรรมะขัน้นเอกภีชีหรือเอกคตะจิต ได้จริงแน่สัมมาทิฐิจริงแท้ซึ่งเป็นความรู้ขัน้นอธิจิตหรือญาณจึงมีภูมิแยกภาวะแห่งเอกพีชีนั้นแตกต่างจากโกลังโกละหรือต่างสัตักขัดตุประมะชไหนแม้แต่เอกพีชียังมีเชื้อพีชะอีกหนึ่งชาติ ในความเป็นผีชะนั้นแตกต่างจากสกิชาคามีผู้อย่างยืดตนในกรมภพอีกหนึ่งชาติในความเป็นอัตตาอย่างไรได้ชัดเจนจริงเอกะผีชีนั้นหมายถึงผีชะเชื้อชีวิตอันเป็นชีวิตตินรีซึ่งยานที่จะรู้ ก็รู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศภายในจากส่วนละเอียดของนามธรรมว่าเชื้อชีวิตขั้นพีชะน้นเป็นฉนายเท่าไรที่ไปแปลกันว่าเอกพีชีคือผู้จะเกิดอีกชาติเดียวสำหรับเอกพีชีก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า หมายเอาชาติของอะไรแค่ใดเท่าไรในพลังงานของความเป็นพีชะซึ่งความเป็นชาติของพลังงานพีชะไม่ใช่พลังงานที่เป็นชาติของความเป็นบุคคลตัวตนร่างกายแต่ละชาติแน่มันเป็นเพียงพลังงานขั้นอรูปธรรมเท่านั้น ส่วนสกิทาคามีก็แปลกันว่าผู้เกิดอีกชาติเดียวเช่นกันแต่สกิทาคามีนี้คือบุคคลซึ่งเป็นอัตตาที่ครบโอราริกอัตตามโนมยอัตตาอารูปอัตตาทีเดียวไม่ใช่หมายถึงพีชะ ซึ่งเป็นอัตราแค่พลังงานขั้นอรูปอัตราเท่านั้นพี่ชะนั้นยังไม่ถึงขั้นมโนมย์ยอัตราเลยยิ่งขั้นโอราริกอาตาัตรายิ่งไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเพราะโอราริกอัตรานั้นต้องประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลม และตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาของส ก, กิทาคามีนันว่าหมายเอาความเป็นกายที่ครบพร้อมทั้งองค์รวมของรูปกับนามอันเป็นภาวะที่ต้องมีองค์ประกอบของทั้งรูปและนามกาย ที่เกี่ยวข้องทั้งภาวะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายและภายในวงเล็บจิตใจเป็นโอราริกะอัตตาเต็มๆจึงเป็นเรื่องของการเกิดองค์รวมที่หมายถึงคนแล้ว